ทิ้งท้ายสารใจต่างสีแม้มีใจต่างสายร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมในดินเดียวกันบทกรอนโดยเชาออสวะ เรียบเรียงหนังสือโดยด็อเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านหนังสือโดยโจโฉปฏติมากรรมหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยโดยกิติชัยตรีรัตวิชาออกแบบปกโดยชาวอัศวะท่านที่ต้องการหนังสือฐานิยะปูชา กรุณาเตรียมซองขนาด6คูณ9นิ้วพร้อมติดสแตมป์6บาทจาหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ดรดาราวันเด่นอุดม256มิตรภาพซอย15ถนนมิตรภาพอเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมารหัสไปรษณีย30์30000ผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญในการจัดพิมพ์กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6 6 6กหกสองหนชื่อบัญชีดรดาราวันเด่นอุ ด, ดมในวงเล็บเพื่อการจัดพิมพ์หน่งสือธรรมะของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหรือทรงธนานัตสั่งจ่ายปนอำพวันถึงดรดาราวันเด่นอุ ด, ดม พิมพ์ที่บริษัทชวนพิมพ์50จำกัดโทรศัพท์024129460